ตามกำลังของข้าพเจ้าเก็บได้แค่นี้โอเนะ้เงินแต่คําสอนพระเจ้าไม่ใช่ลึกซึ้งแค่ที่ข้าพเจ้ามากล่าวเนอะมากกวนน่านี้วิ จ, จิตกวนน่านี้พิสดารมากกวนน่านี้หลายร้อยห ล, ลายล้านพันในนักแต่ข้าพเจ้าสดับมาด้วยด้วยอย่างเนี้ยกำลังนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้โอ้เงินนะไม่ธรรมดาจริงๆเนะ่งั้นแต่เรามาพิจรารณาอี้เราจะเห็นโอ้โ oh, หในที่มห ah ัศจรรย์พันลึกใช่ไหมก็ขนาดผ้านวยังแสดงขนาดนี้ถ้าภาษารีบุตรจะขนาดไหนเนี่ยเนอะ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 แต่ต่อไปว่าในพบสุดท้ายขอฟังกันเดียวเพื่อไม่ให้พระองค์ทรงลําบากมากใช่ไหมโอ้โหท่านรักพระพุทธเจ้ามากเลยเรารักมากไห ม, ไ ม, ไหมเราอยากให้พระองค์ใช่ไหมหทำไมท่านบอกว่าไม่เคยทําให้พุทธเจ้าลําบา ก, ก น, นะ